หมวดที่3ภิพิุทั้งหลายตัชนียกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ1ไม่โจทย์ก่อนแล้วจึงลง 2. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 3. ไม่ปรับอาบัติก่อนแล้วจึงลง